และท่าทีพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลสัสลลัลลอฮุอะเลาะห์สัลลัมหลังจากที่ความจริงได้ปรากฏและหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนาบีผู้ถูกทรงมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ท่านเมื่อท่านรอซูลได้ถูกทรงมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้านบทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสําคัญของการศรัทธา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 นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่าย zakat าาและนั่นแหละคือศาสนานเที่ยงธรรมอินนัลลอตนักรฟารูมินอัลฮิล์ิทาบิวะลุชริกินัฟีนาริจห์นนมาข้าลิดินฟีฮะอุลอยกหุมชัฟุลเบรีย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีรและพวกบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยานนำโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชายิง่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่าน re well, ั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งการตอบแทนของพวกเขา ณที่พระผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดก า, อาลอัลลอฮ์ทรงปริติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพร่งนั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา